ควา ม, มกดข่มอย่างแรงอันร้ายนะคะเนี่ยเข้ากับว่าเป็นการต่อต้อตานการปฏิบัติธรรมของชาวพุทธใช่หรือไม่คะนะคะแต่อีฉันเห็นว่าถ้าหากว่าความเห็นของอีฉันก็เห็นว่า อ, อาจารย์พูดเนี่ยในขณะนี้เนี่ยคงจะพูดไปในธรรมะขั้นสูงนะคะถ้าอันนี้ก็อาจจะเป็นธรรมะขั้นต้นก็ได้นะคะท่นนี้อีฉันเข้าใจว่าบางือก็เป็นคำถามที่จะถามอาจารย์เนี่ยว่าอาจารย์กําลังจะบรรยายถึงที่พุทธศาสนาเรียกว่าอภิยักษ์ ทำอะไรหรือเปลาค ะ, นะใช่ไหมคะใช่ไหคะซึ่งเป็นสิ่งที่อันเป็นเก็บิบนะคิดไม่ได้เป็นสภาพที่เหนือความคิดหรือสิ่งที่อยู่นอกเหนือการเจริญปัญญาใช่ไหมคะจะเป็นธรรมะขั้นสูงใช่ไหมคะท่านถามเป็นข้อข้อไปไม่ถึงข้อที่สข้อที่ 3, สามสกภาพอภพยะกัตถธรรม อ, ะ, อ, ะ, อ, ะ, อะไรเนี่ยนะที่อาจารย์พูดอยู่อันนึงเป็นการปฏิบัติธรรมใช่ฉันจะเข้าใจว่าแบบลืมตัวจะใช่ไหมคะ ก็อาจารพูดว่าให้พูดตลอดเวลาว่ารู้ตัวสดๆอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นการลืมตัวบ้างไม่ได้เหรอคะไม่รู้ตัวสดๆแล้วเป็นการลืมตัวนะคะเพราะการปฏิบัติธรรมเพื่อเข้าถึงบางอย่างไม่มีการแยกแยะหาค้าหาความหมายอันเป็นการสนองความอยากเนี่ยนะคะในการปฏิบัติธรรมเราต้องการต่อภาค ก, การลืมตัวหรือตนไม่ใช่เหรอคะไม่ใช่วรู้ตัวน ะ, ค, ะคือไม่รู้อะไรเลยทั้งนั้นคือเป็นการลืมตัวฉันอยากจะพูดว่า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 แบบไม่มีหรืออะไรมีแบบไม่มีอะไรอาจารย์อธิบายทีนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง น, นะได้ว่ามันเป็นศูนย์หรือไม่ทีนี้ถ้าทัานฟังมาทั้งหมดเนี่ยท่านอยากจะสรุปความคิดว่าเในขณะที่คิดเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่เราผมคิดน ะ, ะถ้าจะสรุปเลยเอ่านง่ายๆน ะ, ะให้จํากันไปก็คือว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่ไหมคะ ถามเหมือนตุนก้นเลยนะครับเป็นชุดเลยถามข้อที่หนึ่งนะตัวใหม่ก็ได้ข้อที่1นบอกว่าถ้าหากว่าจะยืนสติเนี่ยอาจารย์บอกว่าเป็นการที่ว่าชั่วร้ายมากก็จะกดข่อมอะไรก็ไม่รู้นะฮะ เพราะฉะนั้นก็การต่อต้านการปฏิบัติธรรม่ไหมคะอะไรเียอาจารย์สอบเลีอหรือโนหรือว่าอะไรนะเพราะอาจารย์ยกตัวอย่างความจริงอาจารก็ไ่พูดอย่างตรงๆอาจารย์ไปพว่าเป็นเรื่จากความอะไรสองคนอะไรอย่างเงี้ยโดีอะไรอาจารย์ยกตัวอย่างนี้แต่ฉันรู้ว่าไอ้สิ่งเนียมันคืออาจารย์กาลังจะบอกว่าการเจริญสติต่างๆเนี่ยนะที่พระพุทธเจ้าทำมบกอเนี่ยอาจารย์ไม่พูดตรงๆอะไีความมาอย่างนั้นใช่เปล่าม่รู้นะฮะนี่คือข้อนึง ผ ม, ผมไม่ใช่โปรเตสแตนหรือนักค้านนักต้ น, นะครับแต่ที่ผมถูกเชิญหรือถูกเลือกมาบรรยายนะครับผมก็พิจารณาว่าผมจะมีอะไรให้ถ้าผมไปพูดในแง่จริยธรรมธรรมดาหรือศีลธรรมดาเขาก็พูดกันอยู่แล้วครับอย่าง ก, กันนั้นเลยเราเห็นคุณข้าทตรงไหนเราพูดตรงนั้นแต่ทั้งหมดนี้ไม่ใช่ไม่แยแสแค่คำพูดที่ว่าการสะกดขมามณมนั้น สิ่งชั่วร้ายผ ม, ผมไม่เคยพูดนะผ ม, ม่จริงๆผมไม่เคยพูดต้องอ่านดีๆนะผมเพียงจะบอกว่าการสะกดคมอารมณ์ที่ชั่วร้ายนั้นไม่ใช่สิ่งอย่างยืนน ะ, ะสะกดคมแรงขับมันชั่วร้ายันผมใช้ประโยคนี้นะแรงขับมันชั่วร้ายซึ่งเปนศัพท์ทางจิตวิทยาครับคนทุกคนถือกันว่านี่ไงจวิทยามีแรงขับเป็นการทำร้ายผู้อื่นเรานะกดคมไว้มันก็ไม่ทำล้ายแต่มันจะระเบิดวันหลัง ผมไม่ได้ d i สเครดิตการเจริญสมะตะภาวนาด้วยผมเองปฏิบัติอยู่ด้วยถือในฐานะการพักใจแต่ไม่ใช่วิปัสนาผมตงบอกนะผมคงบอกว่าทุเรียนนั้นเปลือกก็มีนะไม่ได้มีแต่เนื้ <c oughs> ดังนั้นโทษผมไม่ได้นะที่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะาต้องอ่านดีๆนะครับ <c oughs> เรื่องอพยากัะถ้าใช้สับแสงมากๆก็ลำบากครับ แต่ว่ามีข้อที่จริงอันหนึ่งที่ผมอยากเรียกร้องให้คนรุ่นหลังนะครับรุ่นใหม่ก็ตามใส่ใจในรูปในรูกติของพุทธศาสนาบ้างเราจะเปรียบศาสนาจนกระทั่งไม่รู้เ ก, กณฑในศาสนาหาคำพูดมาเสนอเราเหมือนขนมหวานมันไม่ได้ครับมีลูกติเป็นสิ่งที่อาจารย์รุ่นโบราณค้นคนว้ากันมานานมากนะครับเช่นยกตัวอย่างกลับโลกโลกครับมาโนดมโนโอชาเนี่ยเขาแปลความรักหมายถึงโอชาทําใจ ข้อสอบเหล่านี้มีความหมายมีสภาวะรองรับเราจะเอาเปรียบศาสนาครับลองศึกษาบ้างตามจำเป็นนะแม้กระนั้นถ้าไม่อยากึกษาก็ได้ครับจะต้องเจอคนที่สามารถพูดลิ้นชาวบ้านได้แต่ว่าศาสนาเป็นงานใหญ่เป็นสายทานของวัฒนธรรมและอารยธรรมนะดังนั้นการพูดที่อิงพระสูตรก็ดีพระวินัยก็ดี เป็นสิ่งที่จำเป็นในบางช่วงบางตอนนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้ถือเคร่งคัดว่าไปแล้วเวลาผมบรรยาผมอัตโนมัติไม่ใช่น้อยตามที่ตัวเองรู้สึกช่วยไม่ได้จริงๆครับถ้าผิดคือผิดแล้วก็ข้อสําคัญที่สุดคือผมเพียงเรียกร้องให้มีการพิสูจน์ผมไม่เคยเรียกร้องให้ใครเชื่อเลยนะครผมบอกลองดูถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วอย่ามาโทษผมไม่ได้นะแต่มันดีมันก็ดี นี่ดีนะครับพักนี้ก่อนนะครับพอมีประเด็นที่ต้องพูดจะสาระประโยชน์ได้ประเด็นธรรมะนี่มันสูงหรือมันต่ำมันง่ายหรือมันยากจริงทุกคนตอบแทนได้เลยครับธรรมะนี้นะครับถ้าว่ามันลึกก็เพราะว่าเราไม่เคยคิดไม่เคยดูไม่เคยก้มมงบ่อน้ําที่บ้านเราลึกเราไม่เคยดูเลยก็ไม่รู้ว่าลึกหรือเตื้นครับแต่ครั้นพอเราเหลียวดูเท่านั้นครับ สิ่งที่ลึกความมตื้นนะจินวนการนึกสะแห่งหนึ่งครับสะลึกกีเดียวถามว่าสะลึกหรือว่าน้ํามันลึกที่จริงน้ําไม่ลึกไม่ตื้นครับสะทางากาที่มันลึกนะตัวเราเนี่ยมันไม่ลึกไม่ตื้นนะครับแต่ว่าถ้าเร า, าเล่นเลยไปเล่นเลยไปเล่นเลยเ ล, เลยหลับในภาษาในปร ะ, ประดับว่าท่านเล่นเลยหลับไปแท้ครับวิ่งไล่ท ง, งตัวเองคนระับ อย่างนี้เรื่องตื้น้าจจะกลายเรื่องลึกก็ได้นะเรื่องใกล้กลายเรื่องไกลนะตอนเขาเข้าใจผมเนี่ยนะทางนั้นไม่ใกล้ไม่ไกลครับแต่มันวกบนคือพอไปทางหน้าเดี๋ยวหน้ากลายเป็นหลังหลังกลายหน้านย่างนี้ครับแต่ถ้าเราเริ่มมีจิตใจที่ซื่อนะครับคําว่าซื่อ น, น, นี่คำว่าสําคัญนะครับน้องแต่ความสักด์ซื่ออุชปนนุปฏิบัติโนปฏิบัติตรงๆอย่างมากเรื่อง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 ก็เดินชนันทีเลยโดยเรารู้ว่าเราแก่ไปแล้วก็ไม่รู้ผมจำได้ตอนเด็กๆเราจะเคลื่อนไหวร่างกายเราระวังผู้ใหญ่ทีนี้ไม่เลยเขาเขาดับเครื่องชนไม่ไม่มีปัญญาบัญญยงกันนะเพะว่าจะปิดก็ได้นะถ้าว่าจะมีมิติล่มลึกก็คือมันอยู่เหนือความคิดครับผมจะนึกผมจะสร้างภาพว่า ขอให้ทุคนนึกถึงสิ่งที่ใหญ่ที่สุดเราก็เริ่มใช้จินตนาการแรกๆอาจจะคิดถึงลูกโลกจักรวาลถ้าจะคิดได้ผมบ อ, อกยังใหญ่กว่านั้นได้ใหญ่กว่านั้นอีกในสุดใหญ่ไปใหญ่มาไม่มีครับคิดไม่ได้ลงเล็กที่สุดเด็คิดถึงลูกบอลนะครับเล็กกว่าลูกบอลเป็นลูกตะกร้อเล็กเป็นลูกบิลเลียดเป็นปลายเข็ม ยังเล็กได้ถ้ายังนึกได้ยังต้องนึกต่อได้นึกจริงไม่มีครับนเรานึกได้เท่าใดเราอย่างรู้เท่าใดธรรมะก็ตื้นขึ้นเท่า น, นั้นรธรรมะก็กลายเป็นธรรมดาขึ้นเท่านั้ น, น, นประเด็นอีกประเด็นที่ว่าลืมตัวนี่สําคัญครับสําคัญมาก อ, อในเบื้องต้นนั้นนะครับมนุษย์ไม่รู้จักตัวเองโดยพื้นเด็กหนุ่มกลุ่มหนึ่งเขา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 ใหญ่เห็นหนึ่งนี่ทำเด็กหนุ่มขนนั้นถอดรองเท้าแล้วเข้าไปนั่งสนทนาด้วยต่อมาในกลางวนสาวกองค์ที่สำคัญมากๆในการเผยแผร่ในยุคเริ่มต้ น, นครับ60รูปที่ตรงท่งไปแยกกันคนละทาง2งทางโดยคำพูดง่ายๆว่าจะหาตนหรือหาหญิงดีดการลืมตัวนี่ทุกคนเป็นอยู่แล้วคือคือพอเราเข้าไปในความคิดเราก็ลืมตัวเองทันทีครับดังนั้นในเบื้องต้นต้องรู้ตัวนะครับ แต่ในบ้านปลาณขึ้นคายการการ ล, ล, ล, ล, ลืมตัวอีกคนหน่เป็นการลืมตัวแบบรู้ตัวครับแล้วรู้ตัวแบบลืมตัวครับเหมือ น, นคําถามนี้มันเป็นคําตอบต่อผลการภาวนามันไม่ใช่คําตอบต่อเบืเ้องต้นเลยมันเป็นผลการภาวนาครับเราจะทำลืมตัวกันเลยถูกรถชนจริงๆเลยอะเนี่ครับเหมือนเช่นเดียวกันกับการที่คนผู้อยู่เหนือศีลเขาต้องผ่านการรักษาศีลมาแล้วครับขมานมันหลายขั้นหลายตอนมากครับแล้วแต่เราจะ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 ฉะนั้นประเด็นี้ขอให้เข้าใจนะครับว่าโดยพื้นเทมนุษย์ถูกยั่ว ย, ยุจากอารมณ์จงกระทั้งลืมตัวที่ส่วนใหญ่เหมือนว้าแต่คนบงคนเกิดมามีชาติกาเนิดดีพ่อแม่ดีอบรมเป็นดดีถ้าเป็นคนเรียลลิสติกทั่วงานเไม่เพ้อฝันเขาก็มีสติดีลืมตัวน้อยลงครั้นได้ยินได้ฟังคาสั่งพระเจ้าเขาต่อยอดได้เลยแต่โดยทั่วไปแล้วขอให้้หหมองว่า เราเองมักจะลืมตัวบนะ่อยกําลังผัดข้าวอยู่กําลังอาบน้ําอยู่ใจอยู่ที่ไหนไม่รครับไปเปลวว่อนเลยดังนั้นต้องรวบรวมความรู้ตัวซึ่งเสมือนการสะกดตัวเองซึ่งไม่ใช่นะครการสะกดตัวเองนั้นเป็นผลที่ผิดพาตเป็นการกทำที่ผิดพลาดครับเป็นการต้านกระแสพลังของชีวิตนในตัวแล้วจะเกิดแรงเสียดทานหรือขับแย้งมากถ้าปฏิบัติอย่างนั้นแล้วก็อึดอักจุกหน้าอกคอยรู้ว่าปฏิบัติผิดครับ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 ดังนั้นให้ปฏิบัตินะครับเพื่อให้รู้ตัวขึ้นพิะน้อยพิรน้อยเหมือนสะสมเงินพิรบาทพิรบาทวันสองวันแรกไม่มีผลนะครับเงิน3บาททําอะไรไม่ได้สมัยนี้ครับแต่ยี่สิบปีสาผ่านไปจากการสะสมน้ําพิรยดของความรู้ตัวพิรยดคือหยดเมื่อปริมาณมันถึงระดับหนึ่งมันจะแปล น, น้าที่อมันนะฮะอย่างน้ําแก้วเดียวนี่ก็ดับก็หายได้น้ําถังหนึ่งอาบได้เงินบาทหนึ่ง ซื้ออะไรท็อปปี้ได้สักลูกเม็ดเดียวแต่เงินแสนเงินล้านซื้ออะไรได้ทเดียนะครับนั้นเมื่อเจริญภาวนารู้ตัวเรื่อยๆนี้มัถึงจุดหนึ่งมันจะแปลสภาพครับอาจจะใช้คำมาตกผลึกทางปัญญาก็ได้ครับมันแปลจากการรู้ตัวเป็นการเห็นล้วนๆนะครับถามาเห็นอะไ ร, รเห็นรูปนามเห็นตัวเองเห็นอะไรก็ได้ที่มันมีให้เห็นถ้ามันไม่มีไปเห็นข้าวก็เป็นเรื่องสร้างขึ้น ถ้ามันมีกลับทําไม่รู้ไม่ชี่นี่ก็โง่ไปแล้วมันจะเห็นสิ่งที่เพื่อนเห็นโดยธรรมชาติมันเองคนระับเมื่อเห็นผีทุวนในตัวเองแล้วเหมือนก้าเราเข้าไปในบ้านหลังหนึ่งนะครับเราหลงทางมาในป่าเจอบ้านหลังใหญ่มีห้องรับมากเราเข้าไปที่ห้องอาหารเห็นมีโต๊ะมีอาหารอุดมสมบูรณ์แต่เราไม่กล้ากินนะครับเราไม่รู้มันเป็นอะไรเราต้องค้นหาเจ้าของบ้านเปิดดูทุกซอกทุกมุมทุกห้อง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 แต่ว่าจะคิดมากเป็นขนครับต้องประเดิมในการทําความรู้สึกตัวซะ ก, ก่อนคิดถึงอิ่มโดยไม่กินก็หิวอยู่ น, นั่นเองครับเคสอาจารย์ให้ภาษารู้ตัวแล้วให้ลืมตัวเนี่ยมันฟังยากผมอธิบายผมบอกแล้วฟังอเอาเพือเอาให้ง่ายสิครับลืมตัวทางไหนคือรู้ตัวแล้วให้ลืมตัวให้หมายความว่าไอ้ลืมคํานี้หมายถึงว่าไม่ยึดมัน่น ในที่ถูกรู้นั้นใช่ไหมฮะคือไม่ยึดมั่นแล้วเาก็ไม่ต้องไปยึดมั่นไม่ต้องไปรู้ตัวอะไรอีกแล้วเร่มไปเลยคือปล่อยนะก็ได้ครับยึดมั่นปล่อยวางไม่รู้ตัวอะไรได้ือนี้เข้าใจแล้วก็บอกว่าให้รู้ตัวแล้วไม่รู้ตัวให้เนตัวมันฟังแล้วมันมันก็ลำไสผมไม่มีลาบากเพียงแจะบอกสื่นเท่านั้นเองไหมโอเคะรู้ตัวแล้วก็ไม่ไปยึดมัน ก็เหมือนก็บลืมลืมลืมพูดไม่ถูกนะแต่คือว่าไม่ยึดมั่นในตัวนะฮะนะครับส่วนที่บอกว่าพระเจ้าว่าเออมนุษย์จะไปหาผู้หญิงดีหรือจะหาตัวตัวตัวตัวเองดีมันนอกกจากปมพรามณ์เขาชอบที่จะหาอัตตาพระเจ้าต้องต้องต้องยึดเหลื่อไว้ก่อนนะฮะเริ่มต้นเลยจะหาอัตตาหรจะหาผู้หญิงดีพราหมชอบใจว่าต้องการหาหัตตะเพราะเป็นพรามจะหาตัวตนพรามทุกคนจะหาตัวตน ก็พยายามหาหาไปหามาลืมตัวแล้วไม่มีตัวแล้วเป็นพระทหารครับตอนนี้เราคงเราคงเล่นกลภาษากันหรือเปล่าครับเราเดินมากือสิ่งสําคัญไม่ใช่ตัวภาษาครับเป็นอยู่มาที่นอกสนใจนิ้วที่ชี้วิธีประจันครับถ้าเราใส่ใจในนิ้วมากเราจะลืมดูประจันไปนิ้วมันชี้บอกภาษาบอกถึงสภาวะ ให้เราดูวันนั้นเราอย่ามาดูวันนี้เข้านีอันนี้เป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้องรู้ว่าภาษามันรับใช้เราได้ระดับหนึ่งนะครับมันไม่อาจตอบสนองได้ถึงที่สุดภาษาวอกที่บรรลุธรรมเฉพาะวิพักษก็ไม่ใช่ด้วยภาษาครับลําพังคาพูดต่อองค์คริมานว่าเราหยุดแล้วเธอยังไม่หยุดต่อเราอัดเทฟแล้วเราฟังกันคือและห้าร้อยเที่ยวเราก็เหมือนเดิมนะครับมันขึ้นกับสภาวะภายในของ นั้นมากกว่านี่ั้นคําพูดที่ว่าเราหยุดแล้วเธอไม่หยุดผมเชื่อคงไม่ได้หมายหยุดฆ่าก่อนนะครับแล้วคําคนอาจจะหมายถึงอัปตาตัวตนก็ได้นะครับก็เป็นได้แล้วก็องคุริมานนั้นเราต้องเข้าใจนะครับว่าเราอาจจะแปลกใจในฐนานะชาวพุทธซึ่งพุทธศาสนาเผยแผ่มาสู่ประเทศนี้นอนนับพันพันปีนะครับต่อคําพูดง่า ย, ายๆที่ว่าทําไมองคุริมานจึงสมาทานการฆ่าคน ง่ อ, อะไรปานนั้นถูกหลอกถึงนานั้นเชียวนี่เคยคิดเล่นบ้างไหมครับว่าแล้วคนโง่ป่านนี้เป็นอานหารได้อย่างไรแต่ถ้าเราทุกขีราสนาในอินดเดียนะศาสนาแห่งจรนะครับหรือหรือเราได้ยินข่าวที่ญุ่่นโอมชิลิเกีวนะครับนั่นคือศาสนาพศิวะสัญลักษณ์ของเทพเจ้าผู้ทำลายล้างนั้นการประหารชีวิตการฆ่าสัตวชื่อส่งวิญญาณ ส, สู่สวรรค์ก็คิดก็มีระบบคิดเขาอย่างนี้ด้วยนะ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 ประมวลลงมาที่คำสอนที่เน้นหนาะกที่พระเจ้าสอนเรื่องสีประานนะครับสประาน4ี่ที่ท่านยืนยันว่า7วัน7จปี7เดือน7วันวนั้ตงเช้าเย็นเลยนะครับสี่ประทาน4ี่นั้นเป็นแกนกลางที่สำคัญที่สุดซึ่งถูกแต่ละรับที่แต่ละนกายในเครือพุทธศาสนาได้ไประยุกต์ใช้ออกสู่เทคนิคตา่าง ผมจะไม่ไปรายขยายความมากกว่านี้นะครับมีคำถามก็ถามได้อีกครับคง mm hmm. ตอบยังไม่หมดแต่ว่ารอทีนะฝ า, ากไปเดือนหน้าดีนะครับเพราะมันยาวนะจะตอบสั้นๆได้ครับว่านี่หลายคนที่กังขาในเรื่องสวรรค<ส>์นรกไม่ใช่พีมงความหมายว่าบนดินหรือใต้ดินหรือบนฟ้านะครับหมายความสภาวะที่เป็นสุขสุดยอดสมอุดมการนั้นมีจริงไห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 วิมานนัแ้แปลว่ามีมานะอย่างยิ่งนะครับดังนั้นเท พ, พเจ้าผู้อยู่ในวิมานรู้แล้วแต่มีไอ้เยอะแต่มีมานะแรงเขาจึงเป็นสุขมากๆสุขในตัวเองด้วยความยึดเทพเพื่อจุติแล้วผู้ทําบุญมากนะครับก็จะเกิดวิมานบุญขึ้นรองรับเขาจุติจากฐานะจิตดวงหนึ่งเขาไปสู่มนเทียนของวิมาน ในทางกลับกันก็เป็นนรกถ้าเรามองตัวสภาวะทางจิตใจผมว่านี่มีประโยชน์คื อ, ค, อความเชื่อใดเนี่ยเราต้องเลือกครับบางคนเลือกเชื่อนรกสวรรค์จริงๆก็ได้นะเขากลัวนะตายไปแล้วตกกระทกแขนเก็หวาดเสียก็รีบทำคำนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าดูจะเป็นความเชื่อที่ที่ค้นหาที่มาที่ไปลำบากและถูกคานถูกเราะยอะง่าย ใต้ดินนี่นักธรณีพิสิกธ์บอกเรานะมันมีเราว่าครับจะเรียกราว่าเป็นนรกนะี่ก็พิลึกพิลึ ก, ลกแล้วสวรรค์บนฟานดูพลึกพลึกครับเครื่องบินบินเหนือเมฆตัวนี้นะีะแต่จะเชื่อก็ได้ครับเพราะสิ่งนี้เป็นเป็นแรงจูงใจทางจริยธรรมนั้นคนที่เชื่อดีกว่าคนไม่เชื่อเชื่อสวรรค์มีจรงิงนรกมจรงิงจากความเชื่อเป็นพลังทําให้ไม่กล้า ท, ทําทําบาปแล้วก็ทำํำกุศลใช้ได้ครับ ผ ม, มอยากจะโยมถึงเรื่องอธิปไต่นะซึ่งเพื่อเพื่อทวงติ่งข้อเข้าใจผิดเล็กน้อยในหมู่ชาวพุทธเรามักได้ยินว่าธรรมะอภิปไตยใช้ได้อัตาตาที่ตยโลกาใจใช้ไม่ได้นี่ผิดไปครับพระเจ้าไม่ได้ตรัสอย่างนั้นเลยพระเจ้าตรัสถึงอธิปไตยสามไว้นะครับในฐานะที่ใช้ได้ทั้งสามครับท่านอด้บายอย่างนี้ครับว่าคนบางคนนั้นตื่นขึ้นกลางเดึกนะครับแล้วคิดถึงตัวเองว่าตัวเองยังทุกข์ยากอยู่ปลาลกตนขึ้นมาเป็นหลัก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 เหตุผลในตัวมันเองเรียกปลารกทำธรรมาพิจารณไม่ต้องอาศัยแรงจูงใจแรงผลักแรงจูงจะพูดเลยใช้ได้ครับใช้ได้ทั้งสามเลยครับแต่เมื่อเราเข้าใจติดไปแล้วเราก็ตัดสองประเด็นซึ่งเป็นหลักสําคัญเนอะปลารกตนขึ้นมาตอนอยังทุกข์อยู่คิดถึงตัวเองว่าโรคภัยไข้เจ็บผู้เบียดเบียนอายุแก่เท่าเราต้องทํากิจที่สําคัญก่อนปลารกชิ้นนะ้ราลารกถึงตนที่นี้แล้วก็ภาวนาให้ได้ดีครับ ถ้าเปรียบกันแล้วเนี่ยธรรมมาทิพยตยบริสุทธิ์กว่าคือมันไม่ติดยึดอัปตาว่าอัตตาของโลกและอัปต์ตาตัวเองแต่เราต้องเข้าใจที่ท่วนวลอัธิพยตายสามใช้ได้แต่เราเข้าใจมันดีเราก็ใช้มันเหมาะสมยังไงครับบางครั้งต้องใช้อัต์ตาทิพ ย, ย์ตยกว่าล่มตัวเองบ้างว่าทุกยากอย่างไรทุกทอดทิ้งอย่างไรก็คือไม่รู้ธรรมานี่คนที่เราอิงแอบอยู่ตายไปเราจะอยู่ยังไง นี่คืออัตราที่มัไต่ครับมีบมไห ม, มครับมีคำถามมีคำถามสุดท้ายถ้าหากท่านจะสรุปอย่างนี้ถ้าไม่ตรงกับความคิดอาจารย์อาจาจรย์ก็ช่วยสรุปให้ด้วยนะคะในขณะที่คิดก็เกิดการแบ่งแยกระหว่างผู้คิดกับสิ่งที่คิดนะคะก็จะสรุปว่าตัวผู้คิดก็คือรูปหนึ่งของความคิดใช่หรือไ่สรุปานใช่ไหคะอาจารย์จะสรุปเป็นผมจะไม่ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เลยครับเพราะว่า ตัวผูคิดว่าคือเหมือนคุณคนมติชอบพูดเรื่องนี้มากนะครับในเรื่องของการแบ่งแยกระวัติศาสตร์สิ่งที่เราครับต้องต้องให้โอกาสผมพูดบ้างเรามักจะได้ยินตัวอย่างจากคําสอนครูระดับนำของโลกเช่นคุณคริสนาโมตีพอดีหรือผู้สอนสายนั้นก็ดีนะครับให้พิจารณาดอกไม้แล้วก็ภูมิหลังนะครับว่าเราดูดอกไม้ถ้าเราคิดแทรกเข้าไปนี่มีผู้คิด แต่การศึกษาเป็นกรณีอย่างนี้ไม่ต้อยมีผลครับการดูความคิดผู้คิดกับผู้ดูเนี่ยเป็นัันเดียวกันครับพอเห็นมามันจะดับทั้งคู่ผมอธิบายตามความสึ่งผมนะเพราะมันไม่เกี่ยวข้องในธรราอะไรอย่างนีพอความคิดปรากฏขึ้นในขณะ น, นั้นการเห็นปรากฏขึ้นเนี่ยมันเหมือนกับเมฆสองก้อนตระทะอะไรอย่างนั้นเลยแล้วกลางละอองน้ำมันผู้ไม่ได้มีผู้ดู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 ดังนั้นเองเราจะจับมันไม่ทันนะครับดังนั้นจะมีความคุมเครืออยู่ตลอดในการสอนแยกแยะในเชิงจิตวิทยาแล้วโดยข้อเท็จจริงใ่าง่จิตวิทยาในนี้ก็ไม่มีใครยืนยันเลยว่าการที่ซิกมันฟลอยพูดเรื่องจิตใต้สำนึกจิตมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับในพูทศาสนานั้นไม่มีสิ่งเหล่านี้นะครับจิตใต้สำนึกจิตกึง่งสำนึกจิตเนือ้อสำนึกแจกแจงขึ้นมาเพื่อบำบัดช่วครั้งช่ว่วคู่ช่วยยามนะครเราประการสัญญาณที่สุด ของนักจิวิทยาก็คือที่ประมวลสรุปว่าพฤติกรรมของมนุทั้งหมดถูกคอนโทรลภายใต้เซ็กซ์นี่ไม่จริงในพุธนะทธศาสนาพระนารคามีอยู่เ น, นืออำนาจ น, นั้นได้นะครแต่ได้การข้อสรุปซึ่งนักวิชาการนี้เชื่อกันทั่วและวพานออกมาจับตัพุทธศาสนาด้วยนะผมขอเตือนให้ระวังมากๆนะครับในจิตวิทยาหรือวิทยาศาสตร์ทฤษฎีอะไรเนะี่ยผู้คนเหล่านั้นเป็นนักวิชาการแนว น, ำ, นำหน้านะครับ แล้วก็หันมาสู่พุทธศาสนาด้วยความคิดว่าเข้ากันได้กับวิชาฟิสิกส์โอคมรู้สกอันตรายมากๆการมาพุทธศาสนาไปเสริมเข้านะวิทยาการเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเสียหายนะครับแต่ว่าวิทยาการเหล่านั้นยังอยู่ในท่ามกลางความแ ป, ปรปรวนแล้วก็ข้อรู้ต่างๆเกิดเป็นกรณีเท่านั้นสําหรับความรู้ที่พระเจ้าประทานมาให้เกิดจากการตรวจสอบครับ ความรู้ที่เกิดจากการสอบสุแตกต่างกันกันมากกับความรู้ที่สะสมเข้ารู้ที่ทโทรกรณีนะเดี๋ยวนี้เราปนเปกันมากนะครับเหมือนเหมือนผมยกตัวอย่างอานาลิติกอันหนึ่งนะครับความคิดในเชิงตรกกะแยกแยะรู้จริงกันแต่รู้เป็นประเด็นแล้วการรู้เป็นประเด็นไม่เห็นเข้าโครงทั้งหมดได้กลับกลายเป็นปัญหาคุก ค, คามภาวะแวดล้อมในทุกวันนี้นะครับหรือคุก ค, คามต่อวิชาการทั่วๆไปทีนักวิชาการตีกันยุ่งกัหมดคนหนึ่งก็พูดยันคหนึ่งคนหนึ่งก็พูด ก็ไม่ค่รู้เรื่องครับส่วนกา ร, รสว์รู้นั้นไม่ใช่อย่างนั้นครับไ ม, ไม่ใช่พระเจ้านั่งคิดเป็นกรณีนะไม่ใช่อย่างนั้นครับมันเกิดดอนดานขึ้นมาในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์หลายเาล่มนะครับราิสวิสตระเล่มหนึ่งที่บอกว่าความรู้แจ้งทั้งหมดของพระเจ้าเกิดขึ้นช่วงขณะจิเดียวในขณะจเดียวเว็บเดียวเท่านั้นบางทีอยาจเป็นข่าวสารที่พิสดานนะครับเป็นข่าวสารที่ก่อเกิดทั้งกําลังใจ ให้เราค้นขวายไม่ว่าฐานงเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายนะครับหรือปฏิปัญญาเรามากหรือน้อยถ้าถึงเวลาที่รู้แจ้งเปิดเผยขึ้นมาเราก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับเลือกไม่ใช่เราอยู่โหลท้ายแถวทําบุญน้อยกี่ร้อยชาติก็เข้าสู่ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับถ้าถ้ายังคางแรงเหลือยกยอดไปเดียนหน้านะครับน <c oughs> <laughs> ั้นก็ขอจสติเท่านี้นครับ